นาโมทัตตาภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทตนโมัตตาภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทตาจารนาโมทัตตาภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทตาจาุทัโมสังโฆติติอาต่องนาโม ภะคะวะโตอระหะโตสมมาสมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสมมาสมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโต อาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามเนอะพุทโทธทีปังกโลพุทโธทีปังโกโรโลกะทีปังโลกทปังอากาสกสินังอาคาสักสินังวิโสทัยวิโสทัย อโมทิปังโลโมทิปังกโลโลกธิปังโลกิปังอากาสักสินังอาสัินังวิโสทะยิวิโสะยิสังโฆทิปังกโลสังโฆทิปังกโลโลกธิปังโลกติปังอากาสสิัง วิโสไเยวิโสไทยิพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระธรรมะเจ้าพระสงฆ์ข้าเจ้าจงมาเป็นดวงประทีปแก้วจงมาเป็นดวงประทีปแก้วส่องทางสว่างสวรรค์โลกส่องทางสว่างสวรรค์โลกให้ข้าพรเจ้าให้ข้าพระเจ้ารู้แก้เห็นจิ รู้แจ้งเห็นจริงในกาลบั์นี้ด้วยเธอในกาลปณ์นี้ด้วยเธอพุทโธพุทโธธรมโมธรรมโมสังโฆสังโฆห้ามมือวางลงนังน่งนั่งนั่งตั้งกายให้ตรงดำลรงสติให้มันนั่งดูลมหายใจ ดูลมหายใจเข้าออกสู่ลมเข้าไปว่าพุทหายใจลม อ, อกว่าว่าโทพุทโทพุทโทแต่ถ้าไปศึกษาอยู่กระลุงปู่พังสมัยก่อนไปศึกษาอยู่กระลุงปู่ผังเนี่ยห้องว่างก็ไปถามธรรมมาตันขอาการหลวงปู่หลวงปู่บวชมานานกี่ปี ต้องรู้ทางเห็นทางต้องรู้ธรรมเป็นธรรมท่านก็บอกโอ้นิสัยเรามันเป็นมาแต่กระว่าโนนพอกลางวันเราก็ทําไร่ทํานาพอตกกลางคืนนี่ทานข้าวเย็นเสร็จเราก็สวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งก็พักผ่อนไปแต่เนาะตื่นตีสีก็ลุกขึ้นมาสวดมนต์อีกชั่วโมงหนึ่งนั่งสมาธิอีกชั่วโมงหนึ่ง เราทําทุกวันแบ่งเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงเวลาของเป็นกิเลสยี่สิบชั่วโมงเวลาของตัวเป็นธรรมเนี่ยสี่ชั่วโมงทันหลังปูทําได้ยังไงก็แบ่งเวลาเอาท่านว่าแบ่งเวลาสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งหนังสมาธิชั่วโมงเราก็พักผ่อนไปแล้ว เตือนตีสี่เราก็ทุกข์ขึ้นมาอีกสวดบนชั่วโมงหนึ่งน่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งได้ไปแล้วสี่ชั่วโมงท่านะ่ะเราก็พอใจพอใจในสิ่งที่เราทำได้ท่านั้นเหลืออีกยี่สิบชั่วโมงเนี่ยทามาหากินทำไรทำน า, ท ำ, นาทำหน้าที่การงานเลี้ยงทาสขันเลี้ยงครอบครัวท่านะท่านบอกว่าอยากได้ทำหรืออยากรู้ทำหรืออยากเห็นทำหรือท่านน่ะ เดินทั้งวันนั่งทั้งคืนท่องพุโทโธตัวเดียวไม่ตายก็เจอธรรมะธรรมะนี่อยู่รากความตายท่หนอคนไหนไม่กลัวตายทำเด้ยได้ทุกคนนะ่ะนะท่านอาาได้มากได้น้อยอยู่กับการกระทําแต่สมมติว่าเราทําวันหนึ่งหยุดไปเกตวันหรือสิบวันคิดอยากทําใหม่ก็มาทํำจิต มันไม่ต่อเนื่องจิตมันไม่ละเอียดต่อเนื่องมันไม่เข้าสมาธิเพราะว่าลมของคนเรานี่มันมีหยาบแล้วก็พอฝึกไปสักหน่อยก็ละเอียดเข้าปานกลางฝึกที่สุดก็ละเอียดทุกขุมขนจิตเป็นสมาธิแล้วนะ ที่ละเอียบทุกขุมขนจิตเป็นสมาธิทำมันถึงได้ถึงรู้ถึงเห็นแต่ถ้าเวลาที่เราคิดอยากจะทำเราค่อยทำเวลาเราไม่อยากจะทำเนี่ยเราก็เมือนเฉยพอคิดอยากจะทำอีกก็กลับมาทำอีกคราวนี้อารมณ์มันไม่ติดต่อกันลมมันไม่ได้เอียดต่อเนื่องมันไม่สามารถรวมเป็นสมาธิได้ ก็มีวันหนึ่งพอท่านเล่าให้ฟังคราวนี้กับไปแอบดูท่านเดินจมกรมหกมอ ง, งเยนเนี่ท่านจะจุดเตียนปลายเทืองเดินปลายทางเดินจมกรมหัวทางเดินจมกรมท่านก็เดินกลับไปกลับมาอย่างนั้นเหยียบเท้าขวาลงก็พูดเหยียบเท้าซ้ายลงกอดโทหมุนกลับไปกลับมาอย่าง เราไปแอบดูนึกว่าท่านจะเดินจมกรมแค่ชั่วโมองเดียวท่านอายุ76ปีในเดินจมกรมใน6ชัออ่วโมงท่านเดินจมกรมของท่านอยู่ตลอดแต่พอถึงเที่ยงคืนแสงไฟท่านก็ ย, ยังอยู่เขานี่ท่านนั่งกรรมฐ า, านอีก2ชัออ่วโมง จากเพียงคืนทั้งตีสองท่านนั่งกรรมฐ า, านนี่ท่านชอบเพ่งกระสีนท่านชอบเพ่งเทียนแสงไฟอย่างนี่คือท่านเพ่งเทียนท่านนั่งโยกเก้าอี้ท่านก็เพ่งสายตาไปหาแสงเทียนพอถึงสองชั่วโมงเสร็จแล้วท่านกระดับเทียนตีสองพอทีสองดับเทียนแล้วก็นอนท่าสยายญาตินอนท่าสยายญาตินี่คือกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออก พุทธเข้าไปโทรออกมาพุทธเข้าไปโทรออกมายืนท่านพักผ่อนกิิยาบทเห็นกายนี่นอนท่าสยามนี่อีกชั่วโมงหนึ่งพอตีสามท่านก็ลุกขึ้นมาจุดเทียนเข้าห้องน้ำดังหน้าแปงฟันเสร็จแล้วคลองผ้าก็าออกมาเดินจมกรมีกถึงหกโมงช้า ท่านทำอยู่นี่โอ้คุบาอาจารย์ท่านทำขนาดนี้ท่านถึงได้ถึงรู้ถึงเห็นท่านทำให้มันติดต่อกันท่านไม่ปล่อยระยะให้เป็ น, เ ป, นเป็นช่วงเียงเป็นจังหวะท่านทำให้มันต่อเนื่องนี่น้าด่ะท่านถึงได้ถึงรู้ถึงเห็นเราเป็นคนอยากได้กับท่านเราจะทำได้ไหมเนี่ยอายุเราก็ยังเล็กยางน้อยอยู่แต่อายุของท่าน 76ปีแล้วท่านยังทําได้เลยเราทําไร่ทํานาเนี่ยยิ่งกว่านี้อีกไหนจะทํานาไหนจะไถานานไหนจะกาดนานไหนจะปักดําไหนจะทําไล่ปอโอ้ยของเรานี่มันหนักกว่าท่านท่านเดินจมกลมต้งเยอะเราต้องทําได้ถ้าทําไม่ได้เราจะมาทําไมเราจะมาอยู่ป่ากับท่านทําไม ลองไปย้อนถามดูตัวเองเอา้าถ้าทําได้ก็ทํทาเอานี่เมื่อเราคิดเมื่อเราคิดเราก็เราก็ต้องลงมือเราเนื่องว่าท่านจะทําแค่วันเดียวเราก็เดินจมกลมอยู่ที่หนึ่งเผลอก็ไปแอบดูเท่านก็ยังไม่หยุดแล้วก็กลับมาพอได้เจ้มองหนึ่งไปแอบดูอีกท่านก็ยังเดินจมกลมของท่านอีกแล้วก็กลับมามาเดินจมกลม ซับเปลี่ยนกันอยู่นั่นไปแอบดูท่านเป็นการว่าไปแอบดูท่านเดินจมกมโอ้ท่านตั้งใจทำขนาดนี้เราต้องตั้งใจทำมากนะพอถัดจากตั้งใจทำเราขึ้นไปนั่งขราวเนี่ยขึ้นไปนั่งไปหาจุดของจิตอยู่มันไม่เจอเราเจาจุดของจิตอยู่ไปไว้ที่ไหนคาว่าท่องพุโทโธก็เอาจิตมาอยู่ลมหายใจเข้าออก ก็น้อมไปดูใจพอถัดจากนั้นมามันไม่คุ้นเคยมันดึงเข้าไปยังไงมันก็ไม่เข้าไปพอถัดจากนั้นมานี้เราจะไ ป, ไปที่ไหนจิตแวบหนึ่งก็ได้เกิดขึ้นมาทําไ ม, ไม่แมวจิตไปจดจ่อรูปหลงปูผางตอนทั้งนั้นนั่งรับแขกตอนกลางตอนกลางวัน พอคิดแวบเดียวเนี่ก็เอ er, e th ้ารูปภาพหลวงปู่พังก็หมุนจิ๋วอยู่กุฏิท่านตรงที่ท่านนั่งรับแขกเนี่ยจิตเราคิดไปทางขวาเราก็ดึงกลับมาหาภาพหลวงปู่พังที่หมุนอยู่จิตเราคิดไปทางซ้ายก็ดึงกลับมาหาภาพหลวงปู่พังที่หมุนอยู่ไปทางซ้ายไปทางขวาก็ดึงกลับมามันคิดออกไปเราก็ดึงกลับมา คืนทั้งคืนนั่งดูภาพหลวงปู่พางหมุนอยู่นั่นเตือนเช้ามาเราก็นึกว่าเราภาวนาเป็นเอาบาดสะพายข้องคอไปจะไปจัดที่หอฉันที่กุฏิหลวงปู่พางพอไปวางบาดจากคอลวงปู่พางก็เปิดประตูออกมาเลย มันเอาขีดมารบกวนเราตลอดทั้งคืนเลยเราทำอะไรไม่ได้ได้ทนว่ามันส่งมาไกลขนาดนี้มันไม่สามารถรวมอย่าส่งมาไกลขนาดนี้ดึงเข้าไปไว้ในใจไปวันนี้ไปต้องฉันกลับไปเลยกลับไปกุฏิทันว่า มันเอาจิตมารบกวนเราตลอดคืนมันส่งมาไกลจิตมันมันไม่สามารถรวมเป็นสมาธิได้หรอกไปกลับไปเดี๋ยวนี้จิตมันกําลังมีศรัทธามันกําลังมีความเชื่อไปไปไปทําเมาไม่ต้องฉันกราบท่านล้วก็ร้องไห้แล้วก็กลับพอกลับไปถึงที่นอนนี่มันหมดอะไรแต่ยากานี้จะไม่ฉันต้องปู่ท่านก็ไม่ให้ฉันเราก็นึกว่าเราภาวนาเป็นหลวงปู่ก็บังคับ ให้กลับมานั่งกรรมฐานที่วัดที่กุติพอไปถึงที่นอนก็กราบที่นอนเสร็ก็ขัดสมาธิเพ็รเขา้าก็ดึงภาพนงปูปางท่านบอกว่าให้ดึงภาพที่มองเห็นเมื่อคืนนี้เข้ามาไว้ในใจวาดมโนภาพขึ้นเห็นให้เห็นใจเป็นดอกบัวตูมให้เห็นหัวใจเป็นดอกบัวตูมแล้วดึงภาพของครูบาอาจารย์ เราศรัทธาพระพุทธเจ้าดึงรูปพระพุทธเจ้าเข้ามาไว้ในใจเราศรัทธาพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปูพ่พังดึงภาพของท่านมาไว้ในใจพอดึงภาพหลวงปู่ผังมาว่าแป๊บมารอบแรกดึงมามันก็ไป ม, มาดึงอีกทีรอบสองมันก็ไม่มาดึงอีกรอบสามเนี่ยมันวัดเขามาเงินคราวนี้ภาพหลวงปู่ผังเนี่ยไปหมุนอยู่ในหัวใจ โห oh, เราก็ฟังเสียงหัวใจเราเต้นภาพก็หมุนเห็นภาพหลวงปู่พังหมุนเหมือนเหมือนเหมือนเราหมุนเครื่องโดเนลสมัยเกา่ามันก็พลิกไปปีนไปปีนมาพลิกไปพลิกมาอยู่นั่นหมุนจิ้วอยู่นั่นก็ดูตอนแรกมันก็หมุนเร็วมันก็ค่อยช้าลงช้าลงช้าลงช้าลงมันหายแวบไปงั่น แต่มันยังมองเห็นหัวใจกระเพื่อมอยู่หหเราก็ฟังเสียงจิตเราก็ดิ่งลงไปหาหัวใจไปเห็นข้างในหัวใจตับปอดมมามพังผืดมันไม่ได้ตีตะปูมันไม่ได้ขันน็อตเอาไว้แต่มันเป็นพังผืดอกตามผนังซี่โครง รอบตัวอยู่หัวใจมันก็เต้นของมันปอดมันก็กระพือกกระเพื่อมของมันมันก็ดูอยู่ในนั้นเหมือนเรานั่งสิบนาทีแต่เวลามันผ่านไปสามชั่วโมงหาที่เปรียบไม่ได้เย็นเย็นหาที่เปรียบไม่นะมีความสุขอยู่ในใจ หมืนหลวงปู่พางท่านบอกว่าอ๋อปฏิวัติถึงวังอ้อล่องอ๋ อ, อได้ทันทีอ๋อมันไม่ได้เดือยอยู่ไกลมันอยู่ในใจเราเนี่ยแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์มันอยู่ในใจเราเนี่ยล้วก็เป็นบาลีพูดหลวงปู่เสียงหลวงปู่พางก็พูดเป็นบาลีบอกว่าสุดตาปีรกได้แก่สุดลมเข้าไปพระวินัปีรกได้แก่หายใจลม อ, ออกมา สูตรตาปีรกวินัยปีรกปรมัดปิรกอยู่ในอกตัวเองพระพุทธเจ้าได้มาสอนพวกเราแค่สองสูตรอัดสาสะอัดลมเข้าไปปัดสาสะหายใจลมออกมาท่านบอกว่าอัดสาสะปัดสาสะสูตรลมเข้าสูตรลมออกท่านก็ได้ตัดเจริมักผลนิพพานตัณหวัง เสียงหลงปูผางมาเทศให้ฟังนั่นแดนให้น้อมไปดูใจอย่าส่งออกนอกใจถ้าเราคิดถึงบ้านถึงช่องถึงข้าวถึงของถึงเงินถึงทองมันคิดไปให้รู้ทันดึงมันกลับมาอย่าให้มันไปพอเราตั้งสติได้มันไปอีกแล้วก็ดึงกลับมาอีกให้รู้เท่าเอาทันมัน แต่ถ้าคนไหนปล่อยนั่งอยู่นี่แต่กายส่งจิตออกนอกคิดถึงบ้านนยังงานบ้านยังไม่เรียบร้อยคิดถึงหน้าที่การงานหน้าที่การงานก็ยังทําไม่เรียบร้อยนี่คือจิตเราส่งออกไปแต่เราต้องถามว่าเมื่อไปแต่จิตงานมาจะสําเร็จไหมกายไม่ไป ภาพกายไปด้วยกิจไปด้วยเนี่ยนันงานมันสําเร็จแต่หน้าที่การงานมันก็สําเร็จถ้าทําอะไรทําการทํางานมันก็สําเร็จแต่ถ้านั่งกรรมาฐานอยู่นี่ไปแต่กิต ด, ดึงมันกลับม้อย่าให้มันไปเสียประโยชน์เปล่าแต่คราวนี้นี่ก็อยู่มาประพฤติปฏิบัติมาท่านค่อยๆแนะนําพัมสอนพอถาดจากนั้นมานี่ยนั่งกรรมาฐานไป สามเจ้มองเสร็จแล้วมีภิกษุแบบสัมมเณ น, นขึ้นมาเอาด้ามไม้กวดมาเคาะกุฏิพอมาเคาะกุฏิเอ้ยมีแต่นอนอะ่ะจะมาคุยด้วยจะมาเล่นด้วยเอาในหลงปูผ่ผางก็ตาบาาเอากุฏิมีไวแ้แต่ละองค์แต่ละองค์แล้วทําไมมายุ่งกันะ่ะจัดไว้ให้กุฏิคนละหลังคนละหลังทําไมไม่นั่งกรรมาฐานทําไมไม่เดินจมกลม มาชวนกันคุยทำไมพอต้องปูพางพูดพระคำเนนก็แตกกันไปพาไปกุฏิกับกุฏิใครกุฏิมันพอถอนจิตออกเมาตะกีนเนี่ยมันเย็นสบายหาที่เปรียบไม่ได้แล้วมาดูนาเิกาเขานี่ก็เพิ่งได้สามชั่วโมงเสร็จก็คิตต่อเป็นกีเรสเนี่ยเขานี คิดว่าเออเวลายังมีเวลาพอได้ฉันตอนเช้านี่หลวงปู่ท่านไม่ให้เราฉันเดี๋ยวนี้ก็ยังเหลืออยู่สี่โมงห้าโมงไม่ชี้ทามาหารข้าวต้มบนไม้มาต่อไหวหลวงปู่พังตอนกลางวันเพราะว่าหลวงปู่พังท่านป่วยที่เหลือเราคงได้ฉันวบางตัวกีเรศมันคิดพอถัดจากนั้นมาก็ตอนสมาธิก็เดินไป ท้องโปผ่างท่านก็รู้ทันท่านก็เปิดประตูออกมาชี้หน้าด่ามันมาทําไมอีกตะกี้มันเข้าไปแล้วเราสองสามชั่วโมงแล้วกลับไปถ้าจิตมันไม่มีศรัทธานี่มันไม่ได้เข้านะมันไม่มีศรัทธาความเชื่อเนี่ยมันไม่รวมให้ง่ายๆกลับไปเดี๋ยวนี้จิตมันกําลังมีศรัทธาความเชื่อไ ป, าาไปนั่งกรรมฐานไปนั่งดูเอาไปท่านมา เขากขาราบฉันเขร้องไห้แต่ก็กลับมาโอ้หวังว่าจะได้ฉันก็ไม่ได้ฉันตอนเช้าก็ไม่ได้ฉันก็บ่นอยู่ในใจท่านมูมบอกว่าเมาื่อบ่นอีกแค่เราคิดเนี่ยท่านก็รู้อาเ น, น่ก็กลับมาพอกลับมาถึงกุฏิมานั่งกรรมฐ า, านตอน่อเพราะว่ามันหมดอะไรแต่อยากแล้วจะไปฉันก็ไม่ให้ฉันรอบเช้าก็ไม่ให้ฉั น, ร อ, ฉนรอบเที่ยงก็ไม่ให้ฉันเนาะ ไม่ฉันก็ไม่ฉันก็นั่งกําหนดสูตร ล, ล, ลมเข้าลมบอกลมเข้าพูดลมบอกโปรลมเข้าพูดลมบอกสักพักหนึ่งเราก็เพ่งไปดูใจก็ไปเห็นภาพหลงปูพงังมันหมุนหมุนหมุนห ม, มุนอยู่ในใจหูเราก็ฟังเสียงมันก็หายแวบไปข้อหายแวบไปในกิจมันเย็นซาบซานอยู่ในใจ ทั่วร่างกายทั่วรัพทั่วสารพางร่างกายมันเย็นฉ่ำไปด้วยชื่นอกชื่นใจมีปิติความยินดีท่านถังบอกว่าโอ้ตัวนี้เนองพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมาบังคับให้เรามานั่งกรรมฐานเพื่อเราเพื่ออยากให้เรารู้เพื่ออยากให้เราเห็นเพราะว่าท่านรู้มาก่อนท่านเห็นมาก่อน นี่หน้าท่านบอกว่ามันมีศรัทธามันถึงแก่รวมแต่ถ้ามันไม่มีศรัทธามันไม่เกิดก็เลยเพ่งดูอยู่แต่มอยู่กิริยาบทเดียวนั่นแนหะมันจะออกไปก็ดึงกลับไ้มันจะออกไปก็ดึงกลับให้ออ ก, ก, ก, ก็นิ่งหายไปมันเห็นแต่ส่วนข้างในนี่ตับปอดหัวใจฝังผืดห ม, ม่ำ ดำไส้น้อยดำไส้ให้มันระยงระยางอยู่เต็มไปหมดมันก็ทําทงานของมันก็เหมือนเครื่องจักรเนะี่ยตัวนี้ก็ทําตัวนี้ก็ทําทดูมันอยู่งั้นนะคราวนี้รอบรอบนี้ยาวคราวนี้รอบสองนี่ยาวแต่สี่โมงเช้ายันห้ามงเย็นรอบห้ามงเย็นนี่เพื่อนติกจู ด, ด้วยกันรุ่นเดียวกัน ก็ถ anyway e right, ือด oh, ้ามาม้กวดมาอีกมาคอกุฏิก็มาบ่นคำเดิมแต่เอยมีแต่นอนทำไมไม่ทุกคนมาทำกรรมศาสตร์เวลาเวลาล้วสี่โมงห้าโมงเย็นป่าตดกวดตาดมาทำกรรมศาสตร์ด้วยกันช่วยกันทันว่าแล้เออเที่ยวไปเพราะว่าถ้าจะบอกว่าเรานั่งสมาธิทำไมจะมานั่งเป็นเ็วนักหาเขากลัวเขาว่า ก็ออกอุบายว่าเอาเราต้องมีแต่นอนเนะีเดี๋ยวเดียวไปแต่เดี๋ยวอะไรก็ถอนจิตออกมาก็ถอนจิตออกมาเสร็จแล้วก็ลงไปล้างหน้าปิดน้ำอยู่ในโอ่งล้างหน้าเสร็จแล้วก็ถือไม่ตาดตีตาดไปทําความสะอาดไปถูสระถูโบสแล้วก็ไปต้มนม้ําถวายตรงปูพ่พางเสร็จแล้วตรงปูพ่พางท่านก็จ้องเรา แล้วก็ตายกต้มน้ําชงกาแฟให้สักแก้วสิเมื่อเช้านี่เราก็บังคับกีเดทมันไม่ให้มันฉันเรากข่ายกีเดทมันตอนเที่ยงมันจะออกมาฉันเราก็ข่ายกีเดทไม่ให้มันฉันอีกตอนเย็นเนี่ยเอาชองกาแฟให้น้อยสักแก้วหนึ่งสะดองกีเดทมันวันนี้มันเข้าไปได้เราสองรอบแล้วนแต่ถ้าเราไม่บังคับ มันก็ไม่เข้าคราวนี้ชงกาแฟเสร็จแล้วท่านฌานเจตท่านกเ็เลยบอกอาชิบเว่าท่านบอกว่าแต่นี้ต่อไปดิบไปเที่ยวทำเอาดิบไปขนขวายเอาไม่มีใครทําให้เราไดนะ้เราเกิดทันพระพุทธเจ้าก็ดีแต่ถ้าเราไปอยู่กับพระพุทธเจา้าเราไม่สังเกตจิตญาอาการของพระพุทธเจานะ้าแล้ว ก็เหมือนเราอยู่แตก่กายเราไม่รู้ข้อวัดปฏิบัติเราไม่รู้วิธีกำหนดเราไม่ไม่รู้วิธีเข้าสมาธิเราก็ไม่ได้ท่นว่าถึงเราจะอยู่กับสมัยหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นก็ดีแต่เราก็ไปอยู่แตก่กายกิตเราไม่ทำตามเราไม่ไปแอบดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านท่าชมคม ท่านภานั่งก็ไม่นั่งท่านภานเดินจมคมก็ไม่เดินเมื่อไหร่เราจะดูเมื่อไหร่เราจะถึงเมื่อไหร่เราจะเห็นท่านวะนี่แหละการที่อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องคอยสังเกตจริยาการท่าทางของท่านท่านว่าง ไ, ไปไปทํเาเบาไม่มีใครทําให้ได้อย่าเห็นเจรับครับตานอนนอนในท้องแม่ก็นอนมาแล้วเก้าเดือนสิบเดือนแล้ว แม่ก็ออกมาแม่ก็มานอนให้ทิ้งแบบเบาอยู่นั่นอีกปีสองปีลูกขึ้นได้กินแม่ก็ป้อนข้าวให้กินกินแล้วนอนแม่ก็กอมให้นอนทุกวันนี้กินเป็นคนใหญ่คนโตเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ยังกินกินแล้วก็ยังนอนนอนก็ยังเที่ยวมันก็มีอยู่นี่กินนอนเที่ยวสามอย่าง กิจยาบทที่ประพฤติธปฏิบัติทำเนี่ยคนน้อยมากถ้าไปเทียบเท่ากับเวลาที่มันร่วงไปร่วงไปวันหนึ่งคืนหนึ่งยีิบสีชช่ชั่วโมงที่มันร่วงไปร่วงไปเราทําอะไรอยู่มันบวกลบคูณหานมันครึ่งกันไหมถ้ามันครึ่งกันนี่ก็คนละสิบสองชั่วโมงแบ่งครึ่งกันมันถึงจะได้จะรู้จะเห็น แต่พันมัน ม, มันไม่แบ่งครึ่งกันนี่มันไม่ได้แล้วแต่ถูกหลวงปูง่ผางขัดเก่า์พยายามบังคับให้จิตให้มันได้มันรู้มันเห็นท่านบอกว่าคนไหนที่ไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลร่วมท่านมาก่อนมันเห็นก็ไม่อยากจะปฏิบัติทำ คนไหนเคยสร้างสมอบรมร่วมกับท่านมาก่อนเนี่ยพอเห็นมันก็อยากได้อยากรู้อยากเห็นอยากประพฤติปฏิบัติทำอยากเห็นทำอยากพ้นทุกข์อยากประพฤติปฏิบัติในธรรมนี่แหละคือว่าคนมีนิสัยเดิมถ้าคนไม่มีนิสัยเดิมนี่โอ้ยทำยังไงมันก็ไม่ได้มันก็ไม่รู้บังคับเท่าไหร่ก็บอกว่าเราบังคับ พาไปเดินจมกลมมั้งจะเดินเหตสายได้ออยังไงแต่คราวนี้ก็สู้เราตั้งสัจจะโดยตัวเองเราตั้งสัจจะโดยตัวเองเนี่ต้องฝึกเราจะนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งแต่ให้ไม่ได้ชั่วโมงสิบนาทีถึงจะมีสัจจะให้มันมากไว้อย่าให้มันขาดเราจะเดินจมกลมชั่วโมงหนึ่งก็ให้มันชั่วโมงสิบนาทีสลับเปลี่ยนกันไป ทุกวันทวันวันนี้สัปโมงสิบนาทีวันพรุ่งนี้สัวโมงสิบนาทีวันบันเืินสัปโมงแซร็จสามสิบนาทีให้มันมากขึ้นมากขึ้นเราจะรู้ว่าวารากิจเราวารากิจเราเอามันสูงขึ้นมันไม่ได้ถดถอยลงมันไม่ได้เห็นแก่รับขับตานอนถ้ามันจะนอนหนึ่งถ้าเรานั่งกรรมฐ า, านเป็นหมู่เป็นเพื่อน นกก็ย้อนมาดูพระพุทธรูปถ้านอนถ่ายสยญาตินี่น้อยมากที่สุดพระพุทธรูปมีแต่ท่านั่งนั่งสัมกมัฏินั่งกรรมฐานนั่งสมาธิมั่งท่าสยญาตินี่ครัมีท่าเดียวคือท่าปรินิพานพระพุทธเจ้าจะไม่ค่อยมีแต่ต้องดามันกีดหลอกมัน มันในบาปดอกดอกมันให้มันนั่งกรรมาฐานถ้ามันปวดขาปวดเขา่าก็บอกว่าเออเอาอีกสองหน่อยพระพุทธเจ้าท่านยังนั่งอยู่เลยไม่เห็นท่านนอนไม่อายท่านเรื่องไงพ่อแม่ครูบาอาจารกรรมาฐานท่านก็นั่งอยู่บนหิีงผานไม่เห็นท่าทนนอนเลยเดามีแต่กินกับนอนมีแต่กินกับนอนวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่า ไม่เห็นจะผ่านพ้นไปไหนก็มีแต่ท่าเดิมจินนักก็นอนจินนักก์เที่ยวจินนักก์นอนอย่านี้ไม่ฝากไฟในธรรมคราวนี้ดาตัวเป็นกิเลสแบ่งครึ่งขอแบ่งครึ่งเลยสิบสองชั่วโมงสองกิจียาบทนี่นั่งหกชั่วโมงเดินหกชั่วโมงเอาเลยแบ่งครึ่งอตัวเป็นกิเลสมีอีกสิบสองชั่วโมง ทั้งหมดก็รวมกันเป็นสิบยี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงคราวนี้ปีสองห้าพันษาที่ห้าตรงปูผงังท่านราชสังคารปีสองสี่วันที่ยี่สี่เดือนมีนาคราวนี้เมื่อพ่อแม่ครูบาจะล่วงโรยไปแล้วนี่เราจะทำยังไงเราจะได้ใครนะมาอบรมสั่งสอนมาตักเตือนเรา พ่อแม่คููบาอาจารย์ก็ลงโรยไปลงลรยไปแล้วเราจะหาที่พึ่งที่ไหนได้ครับเอาทําไม่งั้นก็ไม่เสี่ยงมันก็ไม่รู้ไม่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมันก็ไม่รู้อาตายเป็นตายถ้ามันจะได้ดีก็ให้มันได้ดีไปถ้ามันไม่ได้ดีถ้ามันตายไปเลยไปอดอาหารเริ่มอดสามวันก็ลงมาชั้นที่หนึ่ง พอร่างกายปกติก็ห้าวันนับจากหนึ่งไปถึงห้าวันอีกก็ลงมาฉันทีหนึง่งรอบสามก็เตวันก็ลงมาฉันทีหนึง่งรอบสี่นี่เก้าวันก็ลงมาฉันทีหนึง่งรอบห้าที่ห้าสิบวันก็ลงมาฉันห้าก็ลงมาฉันทีหนึง่งสิบห้าวันลงมาฉันทีหนึง่งพอหลังจากนั้นมาเราใจ ก็จะหายได้ละไปสี่สิบเก้าวันในคันมันก็อยู่ได้ไม่ได้รับไม่ได้นอนเดินนั่งเดินนั่งสองกิริยาบทพอมันจะเข้าถึงนิ้วมันหาที่เปียบไม่ได้มันเย็นมันหมดอะไรแต่อย่างเนี่ยพอมันหิวมาเราก็เข้าสมาธิน้อมจิตไปดูใจมันเย็นหาที่เปียบไม่ได้เย็นสบายเย็นอยู่คนเดียว คนอื่นเขาวุ่นวายใจเราสบายพอมันหิวก็เข้าสมาธิพอมันหิวก็เข้าสมาธิมันก็ปรากฏแต่ลุคคาเทวดาที่ถือถาดผลไม้มาวางไว้ตรงหน้าพอวางไว้ตรงหน้าล้วปรากฏว่ามีอาการอิ่มท้องขึ้นมาเราเดิมตาขึ้นไมามาก็ไม่เห็นถาดผลไม้ ไปเที่ยวทุ่ดงก็เหมือนกันอยู่ตามป่าตามเขาอย่างหลวงปูผ่ผางท่านไปเที่ยวทุ่ดงที่อํเาเภอคอนสารเนี่ยท่านไปนั่งอยู่บนถ้าขามท่านไปวันนั้นท่านไปบินธบาตกลับมามาฉันข้าวพอดีพอมาฉันข้าวเสร็จแล้วนี่ยก็นั่งกําลังนั่งฉันข้าวอยู่งูงูเขียวตัวหนึ่งก็มาเลื้อยขึ้นไปตามลําไม้ไผ่ พอไปถึงยอดไผ่ก็เลื่อยกลับลงมาพอกลับลงมาถึงโคนไผ่ก็เลื่อยกลับขึ้นไปสามรอบรอบที่สามก็หายไปท่านก็ได้หันมาถามญาติโยมผู้หญิงกับผู้ชายพวกตีไปใส่บาตรท่านเป็นพูดภาษายศรท่านบอกว่าบ อ, อ, อกไม่ออกง้เขียวตัวนี้มาเทศเฮียร์ปูพางฟังหนึ่งโอ้อเกเจี่ได้ยินบอกนะ ย่าปูส้มขนหน่อยว่าเปนหูแก้วตาติพย์พญาปูบด้ยินทันมาพ่อทัดจางอ่นาน่าแต่เออตาบด้ยบบินทีเทศให้ฟังพันมามือเขียวตัวนี้ตุคเทว ด, ดาก็แปลงกายมาท้องคําก่อนให้ฟังทันมาอ่านบด้ยินทีเราให้ฟังมันปนเก็ได้กล่าวคํามาเล้อภัยอยากหนีหลบ ก, กวงทุกไงในกองไฟ อย่าไปตามตันหาโมกรรมมาคุ้นหามาทำพิปัจสนาเห็นหูหาทางสิผลโศเอบเร็วๆวยาดพี่น้องมัน่นศีรษะคำทั้งให้เจ้าว่างคันหาอุปม่าให้เจ้านายเขาของหลายหมักหล่นตนมอยดำเมงไปเพเห็นเอาไปได้ตายไปเกิะเสียเปล่าฟุ้งโมเจ้าคิดเบิ่งให้มั่นครับ ให้ประจักษ์ในใจให้หำห้อนดูบา้ า, า, ง า, า, างให้พาทั้งสิไปนาหาทั้งให้พ้นโศกสมบัติในโลกนี้ให้ว่างถิ่มปล่อยสารมันเป็นไฟแซงกาเผาอูล่าให้วหายวอนตลอดมดทุกสันขุนขาภัยพ้นมันบื่อเหลยยั่งข้างกษัตรลยดจำใจแม่นไผไผกรบโปงนี่เหลือดอดังเดียวกันนั้น ดูขคนใดใจตําทาปนปีทอลพี่เร็วช้ามยามมินทันแน่ละคุ้นเร็วลายกายเป็นม่านสร้างสุสานคุมนรลกมกตนถิงตัวนี้เป็นคำกริสานทำไมต้องปูผางท่านไปเที่ยวทุดองอยู่เขาค้อเพชรบูรก็เหมือนกันท่านเดินป่าฝ่าดงไป เสือตัวหนึ่งก็ร้องมาข้างหน้าเสือตัวหนึ่งก็ร้องไปข้างหลังตัวปัญเจเรชมันบอกว่าตายเถอะข้านี่ข้างหน้าก็ร้องมาข้างหลังก็ล้องมาเดี๋ยวนี้เกิดเวลาเที่ยงคืนนแต่ท่านเที่ยงคืนนี่ท่านก็ยังเดินทุดงอยู่ในป่าในเขาพอจัดจากนั้นมาเนี่ยพอจิดมัน พอเกียดมันกลัวตายท่านเดกบอกว่าจะกลัวตายไปทําไมนะก็มันมีเสือร้องเสือร้องข้างหน้าก็ามาข้างหลังก็างางมาเราอยู่ตรงกลางนี่เราเดินตามทางเสือทางด่านเสือไปนี่ที่เขาคอเพชรบูรณ์ตัวเป็นเกเดตี่มันมันหวั่นไหมันแนะนำบอกว่าเอาถ้างั้นตอ็หลบเข้าข้างทางนี่ประมาณสักเมตรสองเมตรนี่ เสือก็ปล่อยให้เสือมันไปตามมันแต่คราวนี้ท่านก็หลบเข้าไปยืนกำหนดลมหายใจท่องพุทโธพุทโธเขวอกเสียงมันจดจ้องเสียงหูนี่มันจดจ้องแต่เสียงเสือที่มันลงเมื่อใดมันจะมาเมื่อใดมันจะมาหาเราเมื่อใดมันจะผ่านเราไปพอจิตดรวมเป็นสมาธิไปแวบหนึ่ง มองเห็นแต่หัวใจเต้นกระเพื่อมอยู่นั่นหูก็ฟังเสียงเหมือนมันไม่ได้ยินอะไรทั้งหมดขาดจากโลกได้อยู่สงชั่วโมงแต่มาประมาณสองชั่วโมงพอถอนจิ ต, ตรงมาเนี่ยเสือมันหายไปแล้วตัวข้างหน้าก็ไปข้างหลังตัวข้างหลังก็เดินไปข้างหน้ามันหายไปแล้ว ก็ได้เย็นแต่หเบยบอกว่าเสือทามันตรายเราไม่ได้เพราะว่าถ้าจิตมันนิ่งแล้วมันจิตมันมีอำนาจนั่นก็ได้ไม่ได้มันทํามันตรายไม่ได้ท่านมนอยู่วัดดูนี่ก็เหมือนกันที่วัดสงปูพางนี่ตอนท่านม า, าแรกๆสองปีแปดสองสี่แปดสองท่านเคยเล่าให้ฟัง ตอนมาแรกๆเนี่โอ้ยเราเดินจมคมอยู่ท่านะงูตัวใหญ่มันจะมาขอกินพอ่อดุขับเทวดาแปลงกายมาเป็นงูใหญ่ปากมันก็เท่ากับลังคารถปิกอัพทุกวันนี้ท่านเรียกว่ากระถุนเกียร์ลังคาเกียรนั่นเนี่ยตาเท่าจะเกียงเจ้าพา ย, กยุก็เดี๋ยวนี้ก็เท่าตารถเก๋งรถปิกอัพนี่นะมันสอดแสงออกมาท่านะ แต่มันเลื้อยขึ้นจากลูทองมันเนี่ลากกับแผ่นหินมาดังเหมือนนอกหวีดพอมันขึ้นมาท่านเดินจมกรมเนี่ยเสียงมันวิวี ด, วดมาอีกท่านว่าเอาอะไรมาอีกเสียงอะไรมาอีกท่านว่าตายก็ตายคราวนี้แต่ท่านว่าพอมองไปดูแล้วก็าปากมาตัวใหญ่ พอมาใกล้ๆท่านบอกว่าถ้าเดินจมกรมอยู่นี่เดินจมกมอยู่นี่ขามันจะพราวิ่งเอาเข้าไปนั่งเข้าไปนั่งกรรมฐ า, านในกฎเราบังคับจิตให้มันเข้าไปข้งางในบังคับใจให้มันเข้าไปข้างในพอเอากายเอาจิตเสร็จจิตเป็นสมาธิแล้วงูมันก็มาใกล้ๆมันก็พูดขึ้นว่าจะมาขอกินนะท่านว่า ขอกินยังไงคนมาปฏิบัติธรรมนั่นแนละ้ขอกินได้เฉยนี่นะเห็นไหมนี่เรากินไปแลตายไปเยอะแล้วผ้าเน่นบาทก็มีกฎก็มีกา้ําก็มีรองเท้าก็มีเนี่ยเกลื่อนกาดอยู่นี่มีแต่เรากินทั้งนั้นเนี่ยคาณาดนันขวัวตายวิ่งหนีหมดป่าราบตายไปหมดแล้วอาถ้าจะกินก็กินทันวะไม่หนีหรอก ท่านก็ขาแนบกับแขนเขายัดเข้าในปากมันมันก็เกนขึ้นมามาถึงแค่คอมาถึงแค่คอมันก็หยุดนิ่งมันเกินมาถึงแค่คอนั้นมันหยุดนิ่งทำไมหยุดนิ่งท่านว่าททำไมไม่เกินเข้าไป ถ้าจะกินก็กินให้มันหมดเลยกินบาทกินกดกินสังขาล่างกายกินมันหมดทุกอย่างรองเท้ากาน้ำเนบกินให้มันหมดแต่ถ้าไม่กินไม่หมดก็คายออกถ้าไม่คายออกสอกจากกระทุงพุงออกหนะท่านว่าท่านก็ซอกกระทุงพุงก็คายออกไปแต่งูมันคายออกเสร็จแล้วมันก็กซีบเบาท่านบอกว่าเออได้คนมาสร้างวัดแล้วอ่าหมดคนเนอจึงจะมาใหม่ท่านว่าหมดคนถึงจะกลับมาใหม่ หมดคนก็หมดศาสนาของพระพุทธเจ้าศาสนาของพุทธเจ้าใน 2,500 ปีพระนรนขอต่ออีก 2,500 ปีเดี๋ยวนี้ศาสนาของพระพุทธเจ้าหมดไปแล้วเหลือแต่ศาสนาของพระนรนเข้ามาแล้ว67ปีนี้เนี่กึ่งดีกึ่งไม่ดีเท่ากันเธอกึ่งพุทธการแต่ถ้าเราว่ากึ่งดีกึ่งไม่ดี แต่ว่าคนปฏิบัติทำก็มากขึ้นไม่รู้จะปฏิบัติจริงหรือปฏิบัติเล่นใช่นั้นน่ะไม่รู้จะเอากิงหรือเอาเล่นแค่นั้นน่ะถ้าเอากิงก็ได้ของกิงถ้าปฏิบัติจริงก็ได้มรรคผลนิพพานจริงกิงไม่ใช่ของเล่นอันนี้มีปีหนึ่งพศสองพันท่นร้อยยี่สิบสี่ศูนย์ป่วยกล้วยตา ย, ตายอยากเสพปูพังใช้ให้ไปสร้างวัดที่บน ตอนหัวค่าก็บ่นทังท่านโอ้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ใช้ให้ลูกศิษย์มาสร้างวัดเส่ได้ไม่ไม่มาแสดงธรรมให้ฟังสักครั้งเลยให้ดูว่าเท่าไปถูกทางหรือไม่ถูกทางบ่นทึงท่านพอจิตดั่งสมาธิมันเคลื่อไปนิดหนึงก็ปรากฏว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในลอยมา นี่หลวงปู่ผางหลวงปู่สิมหลงปูแ่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศลอยมาอยู่บนศรีรษะเราพอมาถึงบนศรีราะเราเป็นคณะลอยมาปูพ่พางบอกว่าหลวงปู่สิมหลวงพ่อสิมว่าข้ามรรดาเราอยู่มันว่าเราใช้มันมาสร้างวัดไม่มาแสดงธรรมให้มันฟังหลวงพ่อสิมเทศให้มันหน่อยท่านวางนี่ หลวงพ่อผ่างอนุญาตดล้วนะ้านหวังอนุญาตแล้วเทพเลยใช่ไหมท่านได้บอกว่าหลงวงปู่ศิมบว่าจิตมันเป็นกระแสกระแสจิตพอเราคิดอยู่นี่มันได้ยินถึงหูท่านกระแสเสียงเสียงเราบ่นออกเป็นวาจาเนี่ยก็ได้ยินไปไปถึงหูท่านกระแสศีลถ้าคนไม่รักษาศีลทำมันไม่เกิดกันหวัง ท่านบอกว่ากระแสกิตกระแสเสียงกระแสศีลกระแสธรรมพูดแค่นี้ละ่ะเทศแค่นี้ไปพวกเราพอท่านเดินไปสักเก้าสองเก้าท่านก็หันหน้ามาอีกท่านบอกโลกนี้ไม่ว่างสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมนะใครปฏิบัติคนนั้นก็รู้ใครปฏิบัติคนนั้นก็เห็นท่านนะแต่ถ้าพวกเราปฏิบัติพวกเราก็รู้ กันก็หายแ บ, บไปเฉยนี่อันนี้พอนั่งไปอีกสักปัก๊บกวยตายอยากเสพาวนี่ปวดแสบปวดร้อนไ่ายเบาออกเป็นเลือดเองพอเวทนานั่งกรรมฐ า, านนี่นั่งสมาธิเพชรมันก็ปวดแต่คิวก็ขึ้นจากฝ่าเท้าขึ้นมาตามลำแข้งเรามากถึงเขา่า มันหยุดสักพักมันก็กลับไปกลับไปฝ่าเท้าอีกพอมันนิ่งสักพัก Ins, mm. มันก็เกิดขึ <ittee. S 1> <ma> ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาใหม่ก็หมุนจิ๋วจิ๋วขึ้นมาถึงเข่ารอบสองมันก็ขึ้นมาถึงวันเอวมันนิ่งสักพักมันก็กลับไปใหม่จับสักพักมันก็เกิดขึ้นจากฝ่าเท้าก็ขึ้นมาหาเข่าขึ้นมาหาบันเอวขึ้นมาถึงต้นคอรอบสาม มันก็กลับไปมันก็หมุนขึ้นมาอีกใหม่อีกรอบสี่ตะคิวก็หมุนขึ้นมาจากฝาเท้าตามขาตามลำแข้งเรามาถึงเขา่าถึงบั้นเอวถึงต้นคอถึงศรีรษะรอบสี่สี่นี่หมุนขึ้นมาถึงศรีรษะเลยจับศรีรษะเราหมุนกิวหมุนอย่างเร็วพอมันหมุนเข้าหมุนเข้าหมุนเข้ามันค่อยละเอียดลง หมนชาลงชาลงชาลงมันก็หายแว บ, บเข้าไปในใจมันไปเห็นใจมองมองเห็นใจกระเพื่อมอยู่เต้นหูเราก็ฟังเสียงหัวใจเต้นตุ่มตามตุ่ตามอยู่นั้นแต่ใจมันก็หวั่นไหวมันก็เต้นอยู่ของมันพอมันสงบนิ่งเมากจิจมันละเอียดทุกขมขมขนนะมันนิ่งแล้วคราวนี้มันมีประกายเหมือน ที่เราก่อกองไฟเปลวควันมันหายขึ้นเหมือนเราต้มน้ำเดือดอมันผุดออกทุกขุมขนเนี่ยนวสีสามันก็ลอยขึ้นเป็นเปลวควันในร่างกายเราก็ลอยออกพอสักพักกิจมันนิ่งคราวนี้เจ้าแม่กวนิมก็มานะคะับเนี่ยมาเยืนอยู่ตรงหน้ากับหลวงพ่ออมใจวัดเขาสุกิมจันทบุรี ไม่ยืนเอามือชี้หน้าดานหลวงพออ่อมชายพระองค์นี้เราตามหามาตั้งนานแล้วข้างในเน่าหมดแล้วถ้าเราไม่เอากิตไปรักษาไม่หายแน่นอนท่านน่ะหลวงพร อ, อมชายท่านก็พูดขึ้นมาทั้งนั้นก็เีบนั่งดิเดีบนั่งส่งกิตไปรักษาพอถัดจากนั้นมาเดี๋ยหลวงพร อ, อมชายก็นั่งลง เจ้าแม่กวนิมก็นั่งขัดสมาธิเขา้าไม่สักพักนี่ลูกแก้วทำเท่ากำมือลอยออกมาจากหัวอกลงพ่อม่ายก็เวียงมาหาเจ้าแม่กวนิมของเจ้าแม่กวนิมก็ลอยออกมาลูกแก้วสองดวงก็หมุนเป็นดวงเดียวกบพุ่งเข้ามาี่ะกบพุ่งเข้ามาหาใจของเราก็ลอยไปตามร่างกายขึ้นส่วนสูงลงส่วนล่างไปตามร่างกาย พอสักพักเนี่ยเราก็ฟังเสียงว่าท่านจะพูดอะไรแม่นานท่านเคยว่าจะขึ้นเมืองตรงพ่อจ่าเรียกจิตเรากลับเตอะเรารักษาหายเป็นปกติแล้วพอจิตได้ยินเนี่ยมันพุ่งพรวดออกไปเลยสามดวงท่านก็ดาเดียวนั้นนะสั่งจิตท่านกลับที่เดิมที่ให้จิตท่านตามธรรมะทำไมวะจิตมันได้ยินมันก็หมุนเกลียวออกดูกแก้วเนี่ยหมุนเกลียวพุ่งกลับเข้ามา ของหลวงพ่ออมใจก็หมุนเกี่ยวกับพุ่งเข้าหลวงพ่อมชใยของเจ้าแม่คุณดิมกับพุ่งเข้าเจ้าแม่คุณดิมท่านก็บ่นว่าเราหมดหน้าที่เราแล้วเรารักษาหายเป็นปกติแล้วหมดหน้าที่เรากลับเตอะพอท่านลุกขึ้นอย่างนั้นฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ฝ่าเท้าไม่ถึงดินห่างสักคืบก็ลอยหายแวบไปนี่เดชนนบอกว่าธรรมะโอดส่นรักษา ถ้าเราไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่ออุมายอย่างเจ้าแม่กวนิมิตรท่านก็คงไม่มาเมตตาเราถ้าเราเคยสร้างสมบรลมท่านก็มาเมตตาอยู่พบไหนภูมิไหนท่านก็มาท่านก็รับโนโดานก็เหมือนเราเก็บเราป่วยเราเก็บเราป่วยเราไข่ยอยู่ตามโรงพยาบาลเราแล้ลึกถึงบุญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ท่านก็ย่องสมส่งกระแสจิตมาเมตตาให้เราฝันเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเมตตาฝันเห็นพ่อแม่ครูเจ้าครูบาอาจารย์มาให้ธรรมะมาสั่งสอนให้ได้นั่งกรรมฐ า, านให้ดูจิตดูใจใตัวเองมันก็มีความสุขในความฝันนนั้แต่แท้ที่จริงมันก็เป็นได้ถ้าเราทําจริงๆมันไม่เนื้อบ่า g h กว่าแรงเราจะทําได้ทุกกิริยาบท ยืนเดินนั่งนอนได้ทุกอย่างแต่เราจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเดี๋โวตัก็จะเกียงว่าเราไม่มีเวลาเราทำแต่หน้าที่การงานต้องแบ่งเวลาเอาไว้ขาดตัวเลยชั่วโมงนี้เราจะทำนี้ชั่วโมงนี้เราจะทำนี้แบ่งเวลาให้มันได้มันรู้มันถึงจะเป็นตัวของตัวเองนี่ปีแต่กิเลสมันบังคับ กีดเทศบังคับพาไปกินไปเที่ยวไปนอนเสร็จแล้วก็ตื่นขึ้นมากะเย็นอีกนอนอีกเมื่อไหร่จะเป็นตัวของตัวเองถ้าเราไม่ตั้งใจทําไม่มีใครทําให้เราได้หรอกพระพุทธเจ้าตัา้งใจชี้ทางให้เราพระสาวกของพุทธเจ้าก็ชี้ทางให้เราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ชี้ทางให้เรา เราจะเอาหรือไม่เอาก็อยู่กับตัวเราตั้งนั้นถ้าเราเอาเราก็ได้เราก็ดีเราก็พ้นทุกข์แต่ถ้าเราไม่เอาเราก็ไม่พ้นทุกข์เราก็อยู่ในวัฏวลเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดเป็นอย่างละห้าร้อยชาติเป็นแล้งเป็นเต่าเป็นหมูเป็นหมาเป็นคนใบบาทเสียกิตปิดมนุษย์เป็นคนโ ห, หนวกตาบอดเป็นอย่างละห้าร้อยชาติ สมัยเกิดเป็นปลาช่อนก็มีสมัยเกิดเป็นนกคุ่มก็มีพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระเวสสันดรก็ทานลูกทานเมียทานช้างตาพามก็มาเกิดเป็นคู่ศัตรูก็มาเกิดเป็นตาพามเอางี้พอมาเกิดเป็นพระเวสสันดรก็ไปเกิดเป็นพรามชูชกเกิดเป็นพระพุทธเจ้าก็มาเกิดเป็นพระเทวทัตนี่ แต่ถ้าเราอยากได้อยากรู้อยากเห็นนี่เลยให้ตั้งใจพระพฤทิปฏิบัติเราให้บำเพ็ญทุกลมหายใจเข้าออกอย่าได้ประมาทพลาดพัพ้งถ้าคนไหนประมาทก็มันไม่ได้มันไม่รู้มันไม่เห็นให้มีสติทุกลมหายใจเข้าออกก็เหมือนพระพุทธเจ้าท่านบอกอ น, อนุโมกขันลา เธอมานั่งสัปะงกอยู่นี่เธอทำไมไม่ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นท่องแต่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติให้นรรึก ถ, ถึงความตายทุลมหายใจเขาบอกพระโมกคลาก็ยืดกายขึ้นให้ตรงดำรงสติให้มั่นไม่ช้านานก็ได้มรรคผลนิพพานคืออาสวะกิเลสขาดสวรรค์ไปก็ได้ มักผลนิพพานแล้วเหมือนผ้านอนท่านกำลังเข้ากรรมาฐานหมูคณะก็จะทำสังขารนาเสร็จแล้วผ้านอนก็ทรงแสดงฤทธ์ก็เพ่งไปเ ต, เตโซะสินธานหอไปนั่งอยู่อาชนะปรากฏกายให้หมู่คณะคลายกังวลเสร็จแล้วก็ทำสังขารนา พระมหากระจปะเทระเจ้าเป็นคนถามอเอวามสุตังเอกกังสมัยยังพักกว่าอานนท์เอ๋ยสมัยข้ังพระบรมาศจาจดาแสดงปาตกถาอย่างไรบ้างอานนท์ก็ตอบ เอวามสุตังเอกังสมัยยังพระกวาในการนาครั้งหนึ่งข้า พ, พเจ้าพระนนเทดาได้สำหรับรับฟังมาแล้วพาณิชย์อย่างในเพืองพรารณชีเชตวาในอานาบินที่กัจจะพุทธเจ้าทรงสแสดงทำให้เสติกระหาอดีบินทึกก้าหามดีเศรษฐีฟังนี่ท่านบอกว่าถ้าขึ้นเอวามสุดังเอวามสุตังนี่พานนทรงเป็นพระหูสูตร ท่านได้บำเพ็ญทุกกกิริยามาแล้วท่านได้มรรคผลนิทานมาแล้วท่านถึงได้ทำสังคารณมันก็ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกทุกบททุกตอนน่ะพระสังกายณะเป็นคนเขียนเป็นคนเขียนเป็นคนกระจายทาเป็นคนแปลพระปากมากระจะปากเป็นองค์ถามองค์ถามนี่บอกว่าปุจษาพระนอนตอบวิสัชนาะ นนะปุตตาวิสัชนาเป็นคำตอบคำถามเอวังโหตุมันเนี่ยได้จโจมองพอดีนเนาะได้จโจมองพอดีเสียงนาฬิกามันตี ต, ตีทีเดียวเอา้เอามีมีความสุขไหมหาได้ยินได้ฟังแล้วเป็นยังไงพอใจไหมนะ พอใจต้องนําไปประกรอบไปประพฤติปฏิบัติถูกครับอย่าเสกแต่ว่าพอใจให้เฉยถ้าพอใจแล้วนําไปพฤติปฏิบัติเดาคมภีต้องปูพังว่าคัมภีใหญ่อยู่ไหนอย่ยุดในที่ไหนสุตตปีรกวินัยปีรกปรมัติปิรกคัมภีใหญ่อยู่ใน อ, ในอในนต ก, น ก, าากอนตัวเองตัวคัมภีเนี่ยแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันนะท่านเดาปรามาัติ แต่ถ้าเราเรียนพระสูตรอยู่ในนั่นนะในพระไตรปิฎกสุดตันตัปิฎกวินัยปิฎกปรมัต์ปิฎกอยู่ในนี้เนะี่ยบอกเกิดจากไหนบอกเกิดจา ก, กพระพุทธเจ้าได้แค่สองสูตรที่มาสอนที่มาแนะนำท่านไม่ได้แบกคำพีนะท่านบอกว่าหนึ่งคำพีอยู่ในนี้ เหมือนพระปฏิโปโภคผีพระปฏิโปโภคผีเปล่าไปกราบพุทธเจ้าเรียนจบแปดหมื่นสี่พันปฐมมขันไปกราบพุทธเจ้านี่พุทธเจ้าไม่สนสับสนุนมากราบบ้นไหนมามาเลยพระปฏิโปคัมภีเปล่าพบพุทธเจ้าท่างโกรธพระพุทธเจ้าน้อยใจว่า พ, พุทธเจ้าไม่สนสับสนพอถัดจากนั้นมานี่ยค กาบด่าพุทธเจ้าไปวันหลังก็มากาบใหม่พุทธเจ้าก็ย่ำคำําเดิมอ่ะนะมาอะไรพระปฏิปุโรคำพีเปลา่าไม่พอใจโกรธพระปิเจ้าแต่งบาดแต่งกดขึ้นเขาเลยค่ะเนี่ยโอ้ยเราเรียนจบแปดหมื่นสี่พันพระตำ ม, มาขันพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสรรเสริญพายบาดไปกดไปเดินจมคมอยู่บนเขาพอเดินจมกรมอยู่บนเขาเขาเนี่ย พอกิดมันสุกงอมพอกิดมันเข้าที่มันมีความเชื่อมันสุกงอมนะอ่าพอมันเคลิมไปเคลมไปเนี่ยมันมีความเชื่อพุทธเจ้าก็เปล่งและเสนมีให้ดูก็ก้มกับพุทธเจ้าก้มกับครังแหลกกับพุทโธก้มกับที่สองกฐัมโมก้มกับที่สามสังโฆอจสวกิเตศขาดสะพันเปมุพุทธเจ้าว่าโลกเราตถ า, ากร พ้นทุกแล้วนั่นแหละท่านถึงเสนอเสวนแบบพระปฏิปุโปรคำผีเปล่าท่านถึงได้สนอเสวนคราวนี้เป็นคัมภีร์เต็มแล้วคือ่อได้มกมกผลอิปานนั้นต้องตั้งใจเอาแล้วไม่ไม่แ ม, ม, ม่มาใครจะช่วยก็ได้นะช่วยแนะนําได้ช่วยทําให้ไม่ได้แต่ถ้าช่วยแนะทําได้เนี่ย เหมือนหลวงปู่เจือไปขอฟังทำปู่ผังวันนั้นก็ปีหลวงปู่มาบวชใหม่ปีพศ .2521 ปู่ก็นั่งอยู่ข้างๆปู่เจือท่านชอบเที่ยวทุ่งงท่านก็มามากกราบหลวงปู่หลวงปู่ผมอยากรู้ว่าจิตพระอเดียเจ้าท่านอยู่อารมณ์ไหนอานนี้หงปู่ผังก็ชำเรืองตาไปดูถ้าหลวงปู่มองมาทางเราเนี่ย คงไม่ให้เราอยู่นี่อ่านอ่านนิสัยกองคุบาลอาจารย์พอถัดจากนั้นก็กลาบกลบัลบเสร็จแล้วก็ออกไปนั่งนั่งข้างนอกนอกฝาห น, นังห้องแต่โหเนี่จ้องแล้วว่าท่านจะคุยอะไรกันพอเราออกไปบิดนะ่ะพ้นห้องเน่ะท่านหลวงปูผ่ผางท่านก็พูดเลยจิตพระเรียจ้าท่านอยู่อารมณ์เดียว เอกคตากิจเอกขตาลมลมกับกิดนี่รวมเป็นหนึ่งเดียวท่านเรียกว่าฌานกิดพระเดีเจ้าอยู่ในอารมณ์เดียวนี่เรียกว่าฌานฌานนั่เรียกว่าฌานสมบัติแต่ว่าถ้าอยู่ในองค์ฌานกริตเป็นพระเดีเจ้ากายก็เป็นพระเดียเจ้าแต่ว่าถ้าถอนออกมาเนี่ยกริดเป็นปุถุชนธรรมดา ตายก็เป็นปุถุชนธรรมดาพอท่านพูดแค่เนี้ยไปไปทาําเมาทํามาถามหลวงปู่เนี่ยอยากให้หลวงปู่าสอนให้ได้ทำดันบรรลุธรรมมันไม่ได้ถ้าเราเกิดทันพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะไปขอให้พระพุทธเจ้าท่านเมตตาให้ได้มรรคผลนิพพานแต่มันไม่ได้ถ้าจะมาขอให้ปู่เมตตาให้ได้มรรคผลนิพพานเนี่ยมันก็ไม่ได้ ถ้าปู่เกิดท่านปู่ก็จะไปขอพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าท่านเมตตาให้คนทั้งหมดโลกเลยไม่ต้องไปทําท่านมาแต่มันทําไม่ได้ท่านมาพอถัดจากนั้นปู่พังท่านดูปู่เจือเรือหมดเลยท่านก็รีบกราบท่านก อ, อกไปสมัยนั้นมาปวดใหม่ๆปู่เจือท่านเรียกว่าคูบ้าคุบ้าว่านีิเพราะว่ายังเป็นพระเลขเนน้อยอยู่คูบ้าคูบ้าตะกี้ไปทำธรรมะปู่ตอนแรกท่านก็เทศน์ให้ฟังอยู่ พอเทศสุดท้ายท่านดูเลืลอหมดเลยท่านว่างแฮะครูบาได้ยินไหมก็เนี่ยก็ได้บอกท่านอัดเทปไปทล้วนาะเทปอยู่ไหนไม่เห็นมีเลยในเมื่องก็ไม่มีเทปเอาความจำความจําเป็นเทปอะไรมาไงความจําจําเอาไว้ทางนั้นก็เล่าให้ฟังหน่อยนะท่านก็ไปให้หลวงปู่เล่าให้ฟังเออช่วยกันจําไว้หน่อยนะท่านาน่ะนี่คนหนึ่งเป็นคนถามคนหนึ่งไปฟัง ความจำบันทึกเอาไว้นี่นะแต่ทําทำไมงั้นก็ไม่รู้บางทีธรรมะ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยตัวไหนพอเราจะขับเคลื่อนถ้าเราไม่ลืถ้าเราลืมมันก็ไม่ได้แทนที่มันจะหมูคณะจะได้บางทีหมู่คณะที่ว่ามีอุปนิสัยพอได้สืบทอดพระพุทธศาสนาพอนั่งสมาธิ พอรู้กิจเห็นกิตตัวเองมันจะได้จะรู้ก็ปลุกจิตได้สานึกให้มันมีความเชื่อมันก็ได้แต่ถ้าเราปิดใบเฉยๆเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์นถ้าไม่เอามาเล่าให้ฟังโยมจะรู้ไหมละ่ะไม่รู้ก็เปียบเทียบเหมือนเหมือนเราอัดเทปไปแล้วแต่ถ้าเราไม่ไม่เปิดเครื่องเทปเสียงมันก็ไม่ออกมา ก็เหมือนพุทธเจ้าเพราพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสถานีเหมือนมันโทรศัพท์นี่แหละสถานีโทรศัพท์โทรคมนาคมเนี่นะแต่ถ้ายอมไม่เปิดเครื่องจะได้ยินเสียงหมู่เพื่อนโทรหาไหมไม่ได้ยินแต่ถ้าเราเปิดน่ะ ถ้าสัญญาณขึ้นไม่ดีก็เหมือนสัญญาณขึ้นเราจูนกับสถานีแม่ข่ายไม่ได้จูนกับของพระพุทธเจ้าไม่ได้จูนกับพระเลยบาลีอสงไม่ได้มันก็ไม่ได้ยินเสียงแต่ถ้าอยากดูทีวีก็เหมือนกันช่วงหนึ่งมีมีฝรั่งชื่อบ๊อบบี้ Bobby, แกมาจากแคนาดามาบวชที่วัดบรวรพอมาบวชเสร็จแล้วเนี่ย 4ี่ปีนั่งกรรมาฐานรอบละสี่ชั่วโมงเช้าสี่ชั่วโมงเย็นสี่ชั่วโมงฝลั่งเขาเอาจริงแต่คราวนี้ก็ปุ้นองพาลงไปที่ อ, อุบนเขาพูดไทยในคลองเนี่ยเพราะว่าเขามาอยู่สามสิบกว่าปีเขาบอกว่าอาจารย์อาจารย์ที่ไหนให้ผมนั่งได้มั่งเอาที่ไหนก็นั่งนั่งเลย คราวนี้เขาก็ไปนั่งข้างคนไม่อย่างนานจนสองอุ่มสามอุ่มพอนั่งเสร็จแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งแกถอนสมาธิออกมาเก็บพูดเลยโอ้อาจารย์สมบัติอยู่ข้างล่างนี่ตั้งเยอะแยะเนี่ยไม่มีหรอกมีแกวะอยู่ข้างล่างผมมาดูมาแล้วผมไปดูทีวีแก่ะทีวีอยู่ที่ไหนทีวีอยู่ในใจเนี่ยมันเห็นภาพมันฉายเป็นภาพทีวีให้ดูเนี่ย ถ้าคนไปไปได้ไปดูไปเห็นนะสมบัติภายในพีภพพื้นพี่ พ, น พ, พใ น, นตระกูลพญานาคนะที่เขารักษาไว้แต่ถึงเวลามันก็ขึ้นมาเองมันโผล่ขึ้นมาเองก็เหมือนเหมืองแรแร่ตองคำแร่ตะกรแรดีบุกถึงเวลากับโผล่ขึ้นมาพวกนา้ามันในกับเป็นทรัพย์สินสมบัติของพิภพถึงเวลามันเกิดเอง แต่มันบอกใครไม่ได้แต่ถ้าเป็นของใครคนนั้นก็ได้เป็นทรัพย์สินสมบัติของเก่าอ่า น, น่ะมาพูดยาวก็ยาวเนาะวัดเคยมาบวชมาบวชยจอนี้แหละเทวัดอุดมคาะคีคคริเขตอ๋อครับปีพศ2 1 2 1อืมครับได้อุปถัมภ์ลงปูพังอยู่4ปี่ันกองมาลสังคารแต่ปี25ก็ยังอยู่ ปีสองหกนี่ปุดเจี๋ยรถมารับไปเขาตะเงาะเสร็จแล้วก็ปากันออกเที่ยวทุ่ง <c oughs> เดินเท้าแถวอำเภอหนองบัวดแดงยอดชีขึ้นไปทุ่งกำมังเขื่อนจุฬาพรบ้านทุ่งรุยลาย <c oughs> ไปอำเภอคอนสารเบอร์เกษตรสมบูรณ์คอนสารจุมเพภูเขียวผานกเข้าเนี่ยแถวภูกระดึงไปทำน้ำหนาวด ม, มพอะเภอดมสังแถวนี้เป็นที่เที่ยวเพราะว่าภูเขาช้างยังมีเสือยังมีเดี๋ยวนี้หมูป่านี่ฟุงละสี่สิบห้าสิบตัวมันเป็นอุทยานมันเป็นที่อนุรักษ์ปันสัตว์ช้างก็มีทุ่งกัมมังเนี่ยสามสิบสี่สิบเชือกไปเที่ยวมาเขาใหญ่เนี่ย มาสีขิ้วมาเขาใหญ่หลักธงใจเนี่ยาเขาใหญ่ไปเทีย่ยวมันไม่อยากจะออกมาหรอกบิณฑบาตก็พอได้ฉันตามหมู่บ้านพอเขาทำทาไรทาไรเขาโพด ท, ทาได้ได้พวกลุกเดือยทำลรย้อยได้มันก็มีช่องว่างตามหอบเขาไปมันก็พอได้ปฏิบัติทำอยู่ ทำขา ม, มอำเภอคอนสารมันมีต้นขามใหญ่อยู่หน้าถ้ำช่วงหลวงปูผ่ผางไปจํามันจานเนี่ยเสือก็ไปขอดลูกอยู่ในถ้ำท่านก็แฝงกดอยู่นี่มันก็เข้าไปข้างในเวลาที่หลวงปูผ่ผางจ อ, อกบินท บ, บาทมันก็เสือมันกออกไปหากินก่อนพอหลวงปูผ่ผางกลับมามันก็กลับเข้าก่อนหาลูกมัน สามเดือนพอท่านเลยว่าออกพรรษาแล้วเราจะไปเที่ยวนักษาตัวดีๆแล้วท่านว่างต่างคนต่งางก็มาใสกันพึ่งใบบุญกันออกพรรษาแล้วเราจะไปแล้วพอมันได้ยินท่านพูดแจ้นา น, นังผูพางก็เตรียมบาดเตรียมกดเสือมันก็พาลูกมันเดินออกก่อนมันก็บอกว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วไม่มีคนดูแลช่วยนั่นะ ที่อำเภอ่อนสานปู่พังท่านไปอยู่กับเสือกับช้างกับงูเป็นนิสัยของท่านของปู่พังไปทุกที่บางทีถ้าไปอยู่ป่าชาท่านนั่งกาารรมฐานท่านบอกว่าผีมันก็เข้ามาท้องพุทโธมันก็เข้ามา ท่านว่ายิ่งมีพุโทโธมันก็ท่องยิ่งต้องพุโทโธทีทีมันก็เดินเข้ามาเข้ามาอ้าผีมันก็ไม่กลัวพุโทโธนอกจากท่านว่าก็ท่องตายตายตายาาผีก็กลัวตายผีก็กลับหนีเลยท่านว่านี่คือท่านเล่าให้ฟังนั่นนะประการต่างเยอะะของปูขงุขังนี่คือท่านเล่าให้ฟังก็เอามาเล่าให้ญาติโยมฟังอีกเทนึง เท่าไหร่แล้วสี่สิกว่าปีแล้ว ม, มาเล่าให้ฟังไปอยู่กระตันแต่ปีสงหนึ่งสี่สิบเจ็ดปีนี่เนาะ